ที่จะเปรียบเสมอว่าจิตใจคนเราเนี่ยเหมือนแก้วน้ําใบหนึ่งนะครับแก้วน้ําใบเนี้ยมันเป็นแก้วว่างๆนะครับเราจะเติมอะไรลงไปก็ได้นะครับสมมุติคนคนคนนี้เขาเลือกเติมน้ําสะอาดลงไปนะครับทีวิตทําแต่ความดีมาตลอดคิดดีพูดดีทําดีจิตใจก็ใสสะอาดถูกไหมครับทีนี้อยู่มาวันหนึ่งไปทํากรรมอีกชนิดหนึ่งครับไม่ได้บอกว่าคนกินกาแฟไม่ดีนะแต่นี่ยกตัวอย่างเอามาเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับ เขาทําเริ่มทําทําจากกรรมไม่ดีทำแต่กรรมไม่ดีทำแต่กรรมไม่ดีทําในกรรมไม่ดีเกิดอะไรขึ้นครับน้ําที่เคยใสยเปลี่ยนไปละเห็นไหมนะครับน้องข้างหลังอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับอันนั้นเป็นกรรมที่เป็นนั่งข้างหลังนะครับคนที่นั่งหน้าก็อาจจะได้เปรียบนิดหน่อยนะครับยกลดยกให้ดูเห็นไหมครับจากเมื่อกี้ใสใสกลายปเป็นนี้ละนะครับงั้นจิตใจเราเนี่ยขอโทษคุณครูนะครับถ้าทำพลาดพลาดปูโตเลอะไปนะครับงั้นจิตใจเราเนี่ยเติมสิ่งใดไปเราก็ได้อย่างนั้น ถามว่าเกิดเราพลาดพลั้งไปแล้วเร า, เราทําเราทํา pues สิ่งกรรมที่ไม่ดีนะครับจิตใจเราเป็นมืดดาบอดไปแล้วทำทำยังไงครับแก้กรรมได้ไหมแก่กรรมได้ทํำนี้นะครับทํากรรมใหม่ครับเติมมันเข้าไปใหม่ครับเติมมันเข้าไปใหม่เรื่อยๆครับมันก็จะใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นปรากฏว่ากรรมใหม่ยังไม่พอนะครับกรรมใหม่ที่ดียังไม่พอนะครับมันใสขึ้นละแต่มันยัง ยังไม่หมดไปนะครับเวลาเราพูดเรื่องแก้กรรมกันเนี่ยให้เข้าใจอย่างนี้นะครับของเก่าจริงๆอะ่ะของที่มันเคยดำๆอยู่ไม่ได้มันมันมันไม่ได้แปลสภาพนะครับครูบาอาจารย์บางรูปท่านจะเปรียบบอกว่าเหมือนเกลือเร า, เากรรมไม่ดีเนี่ยเป็นเหมือนเกลือถ้าเกิดเราเกลือใส่เข้าไปในเนี้ยประมาณสักสามช้อนโต๊ะนะฮะในแก้วใบเนี้มีเกลืออยู่สามช้อนโต๊ะแล้วต่อให้เติมน้ําใสสะอาดเข้าไปเนี่ยเต็มแก้วเนี่ยคิดว่าเกลือยังเค็มอยู่ไหมครับเค็มอยู่ไหม เค็มเนาะเค็มมากไหมสามช้อนโตะเค็มมากนะเค็มปี๋เลยนะครับแต่ถ้าเราเติมทําภาชนะตัวนี้ให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราเติมน้ําสะอาดลงไปเรื่อยๆเอาไปใส่ในถังใหญ่ขึ้นนะครับทําจิตใจให้กว้างขึ้นแล้วก็เติมน้ําลงไปสักร้อยลิตรหนึ่งรอยลิตรนะครับเกลือสามช้อนโต๊ยังอยู่เท่าเดิมเลยนะไม่ได้หายไปไหนเลยแต่น้ําเข้าไปหนึ่งร้อยลิตรคิดว่าเกลือเจือจางลงไหมครับจางลงเนาะอาจางลงนะครับอ่ะ คราวนี้เราจะมีชีวิตอยู่ยังไงล่ะครับเพื่อจะให้เราสามารถเลือกได้ว่าจะทํากรรมดีให้มากขึ้นทํากรรมไม่ดีให้น้อยลงนะครับทุกคนเห็นจดกันใหญ่เลยลองเปลี่ยนใหม่นะครับอ้าทุกคนยื่นมือครับยื่นมือออกมามือซ้ายนะครับมือซ้ายเอามือซ้ายหักแขนซ้ายนะยื่นอย่างนี้ครับแล้วก็พลิกไปอย่างนี้พลิกแปองนี้นะฮะอย่าไปดันหัวเพื่อนนะครับอย่าไปดันหัวเพื่อนอาแขนซ้ายอย่างนี้นะอาแขนขวาเอมือขวาทำอย่างนี้นะครับ ใครทำได้มั่งใครทำได้มั่งเอาไมา้อาเอาไมา้ยืนย่นปลายยืน่นปลยื่นปลอนี่นะครับอันนี้พวกชนกันอโฟกัสไปที่นิวโป้นะครับโฟกัสไปที่นโิโป้อาน้องคนนั้นทาด้วย<ะ>โกสที่นิวโป้มีผลฉลาดนะฉลาดโฟกัสที่นโิโป้นะครับอาพ่มาจานี้ใครรู้บ้างว่าทำยังไงรู้ใช่ไหมทำยังไงครับลูกทำยังไง ก็เปลี่ยนมือนะครับกิจกรรมนี้นี่นะครับใครยังไม่รู้อยู่ว่าทํำยังไง <c oughs> มันง่ายนิดเดียวนะครับกิจกรรมเนี้จริงจงมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นตุ๊กตาให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราถ้าเราไม่มีสตินะเราจะโดนอะไรหลอกได้ง่ายมากเลยถูกไหมจริงๆ อ, อ่ะผู้บรรยายหลอกพวกเรานะครับตอนแรกให้ทำอย่างนี้ใช่ไหมเอเวลากลับมาปุ๊บเราก็มาทําอย่างนี้เพราะฉะนั้น อนนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก paradigm คือมันเป็นกรอบความคิดอยู่นะครับเราตั้งโจทย์อะไรไวสักอย่างหนึ่งบอกให้คนทําตามนะครับพอคนทําตามปุ๊บจริงๆแล้วเนี่ยมันไปบิดนิดนึงนะฮะตัวคนที่บอกเองอไม่ได้ทําตามกรอบที่ให้ไว้นะครับผลก็ออกมาเป็นอีกอย่างหนึ่งนะฮะนั้นเวลาเราเจอโจทย์ในชีวิตครับถ้าเราเจอเรื่องบางบา ง, างเรื่องที่เรารู้สึกว่ามั น, ม, นมันยากนะลองหาลองเปลี่ยนวิธีใหม่นะครับอย่าทําซ้ํา แบบเดิมใครเคยได้ยินที่ไอน์สตน์บอกบ้างว่าสิ่งที่เป็นความไม่ฉลาดที่สุดของมนุษย์เนี่ยคือการทําทําเหตุอย่างเดิมแล้วคาดหวังผลที่แตกตา่างเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมครับไอ์สตน์เคยพูดไว้นะครับงั้นถ้ามันมีโจทย์สมมุตินี้คือโจทย์ของเรานะแล้วเราเอาบอกให้มือเอาป ร, ประกบกันแล้วรประกบกันแล้วเขาบอกให้พลิกพลิกให้ได้พลิกร้อยทีถ้าไปทําอย่างเดิมมันก็พลิกไม่ได้นะครับมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีที่จะสอดมือเข้าไปใหม่ คล้ายๆกันนะครับในชีวิตในชีวิตคนเราเนี่ยเราจะต้องเจอโจทย์อีกหลายอย่างในชีวิตเรื่องการสอบเป็นแค่เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องการสอบเป็นแค่เรื่องหนึ่งเรื่องการเข้ากันกับเพื่อนเรื่องการมีมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเรื่องการอยู่ร่วมกันกับครอบครัวกับพ่อแม่นะพวกเรามีใครรู้สึกว่าครอบครั ว, รวเราแบบว่ามีความสุขไม่มีปัญหาอะไรเล ย, เลยไม่มีความขัดแย้งอะไรเล ย, เลย ม, ม, มีไหมครับมีไหมคุยกับพ่อแม่รู้เรื่องตลอดเวลา รู้ไหมครับมีไหมครับไม่มีเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับคนเวลาอยู่ด้วยกันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเป็นสามีภรรยากันเขาจะเรียกว่าลิ้นกับฟันนะฮะแต่เวลามีลูกนี่ผมก็ไม่รู้จะเปรียบเหมือนกันว่าลูกไปอยู่ตรงไหนนะครับสามีภรรยาคนไหนเป็นลิ้นคนไหนเป็นฟันก็ไม่รู้แต่จริงๆแล้วมันสลับกันบางครั้งเราไปกระทบคนอื่นนะครับบางครั้งคนอื่นเขามาทําให้เราเจ็บใจนะฮะก็สลับกันเป็นฟันบ้างเป็นลิ้นบ้างนะครับนั้น ในในเพจที่ที่ผมตอบปัญหาคนอยู่เนี่ยจะมีคนเขียนหลังๆเนี่มีคนเขียนมาปรึกษาเรื่องคุณพ่อคุณแม่เยอะนะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆออส่วนหนึ่งค้นพบว่าคนที่เขามีปัญหาเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีความคาดหวังนะครับมีความคาดหวังว่าคนที่อยู่รอบๆตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรารักเขาแล้วเรารู้ว่าเขารักเราเราจะยิ่งมีความคาดหวังสูง มีคนจำนวนมากที่เวลาอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเรานะเราจะเป็นคนดีมากเลยเราจะเป็นคนมีน้ำใจเราจะใจเย็นเราจะไม่ค่อยโวยวายเราจะไม่ค่อยเหวี่ยงแต่เวลาอยู่กับพ่อกับแม่อยู่ในครอบครัวอยู่กับพี่น้องเราจะเหวี่ยงสุดๆเลยนะครับไม่รู้ใครเป็นบ้างในนี้ไม่ต้องยกมือนะไม่ต้องยกมือนะเราไปสำรวจตัวเองนะครับถามว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่า มนุษย์เนี่ยมีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือเราจะคาดหวังว่าพ่อแม่เราต้องเข้าใจเราสิพ่อแม่เราควรจะตามใจเราสิทําไมพ่อแม่ไม่เข้าใจเรื่องแค่นี้ผมอยากเล่นเกมถึงไม่รู้กี่โมงพ่อแม่จะบอกว่าสามทุ่มพอนะเราบอกทําไมไม่ได้ถึงสี่ทุ่มแลครับเนี่ยทไมต้องบีบบังคับกันอะไรอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นถามว่าถ้าเป็นคนอื่นเรากล้าไปทำอย่างนี้คนอื่นไหมเราไม่กล้านะครับแต่พอเป็นคนใกล้ๆตัวเรา เรากลับกล้าทำเนาะแปลกเนาะแต่ถามว่าเอ่อก็นี้ถามง่ายๆในห้องนี้มีใครรักคุณพ่อคุณแม่บ้างครับรักทุกคนรักหมดนะครับมนุษย์ปกติธรรมดาก็รักพ่อแม่ทุกคนพ่อแม่ทุกคนที่ปกตินะครับก็รักลูกทุกคนไม่มีใครไม่รักเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมชาติปกติแต่ในขณะเดียวกันคนที่รักกันเวลาอยู่ด้วยกันไม่ได้แปลว่าเราจะมีความสามารถในการปรับตัวเข้าหากันได้โดยอัตโนมัติเสมอไปนะครับ บางครั้งบางคราวเราต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างลองนึกภาพดูดีๆนะครับตอนนี้พวกเราจะลําบากนิดนึงจะนึกภาพตัวเองไม่ออกแต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่จะนึกภาพตัวเองสมัยเป็นเด็กๆออกครับนึกออกนะครับว่าเด็กเนี่ยตอนเราเป็นเด็กเรารู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นจะมีพ่อแม่จํานวนมากพอ น, นึกถึงภาพตัวเองตอนเด็กๆตดนพ่อแม่บังคับเยอะก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นพ่อแม่ที่ตามใจลูกนะครับพ่อแม่ที่ตามใจลูกลูกอยากได้อะไรให้ลูกอยากทําอะไรที่มันบางทีมันไม่ควรหรอกตามใจ นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขานึกภาพตัวเองตอนเขาเป็นเด็กแล้วเขาไม่อยากให้ลูกลําบากแบบนั้นเขาก็เลยตามใจเราเพราะพ่อแม่ที่ตามใจไม่ได้เป็นพ่อแม่ที่ดีเสมอไปนะครับในทางหนึ่งพวกเราถ้าไปเจอพ่อแม่ดูๆนะครับดีใจไว้นะครับแต่ว่าท่านพยายามรักเราในทางที่อยากจะให้เราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ เ, เราลองนึกดูอีกอย่างหนึ่งนะในอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเราคิดว่าเราเป็นคนดีมีใครคิดว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีพอใช้ขึ้นไป ตั้งแต่ดีพอใช้ไปถึงดีมากนะครับไม่มีเลยเหรอดีพอใช้อะ่ะดีพอใช้ไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะครับดีพอใช้ก็ไม่พอใช้เลยเหรออาใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแย่มากครับยังใช้ไม่ได้โอ้เป็นคนกล้าหาญมากเลยครับแล้วที่ไม่ยกนี่คืออะไรครับไม่มีตัวตน <c oughs> อะไรกลางกลางอาใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนกลางๆครับดีบ้างไม่ดีบ้างอาดีอย่างน้อยก็เป็นคนมีเขาเรียกว่าสามารถมองตัวเองออกนะครับ ถ้าบอกว่าตัวเองเป็นคนดีที่สุดเนี่ยถ้าทางจะลำบากแห ล, ละนั้นคนทุกคนพารู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยยังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนะครับเราจะพยายามมีโอกาสที่เรายังจะพัฒนาตัวเองได้เอาละครับยังมีของเล่นอันต่อไป <c oughs> ตกลงมีใครเล่นอันนี้เป็นไหม Transformer เนี่ยมีไหมช่วยมาแปลงร่างให้มันหน่อยสิ <c oughs> มีไหมอะ่ะคือพ่อแม่โรงเรียนนี้เขาให้ลูกเล่นแต่ตุ๊กตาฟางเหรอครับ รู้สึกมีของเล่นอะไรก็เล่นไม่เป็นกันเลยอ่ะจะบอกความจริงให้อย่างหนึ่งนะครับโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนที่ดีมากแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ผมอยากให้ลูกผมมาเรียนแต่ลูกผมไม่ได้มาเรียนนะครับตอนนั้นมีความไม่พร้อมอะไรบางอย่างลูกก็เลยไม่ได้มาเรียนที่นี่เพราะฉะนั้นที่เนี่มันเป็นโรงเรียนที่ไม่เหมือนที่อื่นเราเรียกว่าโรงเรียนทางเลือกนะครับถามว่าทําไมต้องเป็นโรงเรียนทางเลือกเพราะเรามีมีวิธีคิดมีวิธีทํำไม่เหมือนโรงเรียนปกตินะครับนะ ทีนี้คนเราเนี่ยมันเลือกได้นะครับมันแปลว่าคนเราเนี่ยสามารถเลือกได้คุณพ่อคุณแม่เขาก็เลือกได้ว่าจะเอาลูกเรามาส่งเข้าโรงเรียนที่นี่หรือไปเรียนที่อื่นใช่ไหมครับแล้วพวกเราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยมีใครคิดว่าตัวเองเลือกเกิดได้บ้างครับเลือกเกิดมาหน้าตาดีกว่านี้สวยกว่านี้หล่อกว่านี้ฉลาดกว่านี้เก่งกว่านี้มีพ่อแม่ใจดีกว่านี้อะไรเงี้ยใครเลือกได้บ้างไหมไม่มีนะครับนั้นทุกคนเชื่อว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้จริงไหม แต่จริงๆมันถูกแค่ครึ่งเดียวนะถูกแค่ครึ่งเดียวนะครับมันไม่ใช่ว่าเราเลือกเกิดไม่ได้นะครับคือชาตินี้ที่เราเกิดมาแล้วเนี้ยเราอาจจะเลือกไม่ได้จริงๆแต่ชาติต่อไปถ้าเราจะเลือกเกิดให้ได้เนี้ยเราต้องทำเราต้องทําเหตุนะครับเพื่อจะได้เกิดในชาติต่อต่อไปในภพภูมิที่เรามีความสนใจที่เราจะไปอยู่ในภพภูมินั้นนะครับเราอ่ะมีที่มากันทุกคนนะครับแต่ว่าไอ้ที่ไปเนี้ยเราไม่รู้นะครับมีนิทานอีกเรื่องหนึ่งเคยฟังนิทานเรื่อง ล, ลูกสาวช่างทอหูขึ้นไหมไม่เคยในเมืองอารวีนะครับมีเมืองอยู่เมืองนึงสมัยพุทธ ก, กาลมีเมืองมเมืองหนึ่งชื่ออารวีพระเจ้าท่านเสด็จไปทรงแสดงธรรมที่นั่นนะครับจริงๆท่านส่วนมากเขานิมนต์กันไปเขานิมนต์ไปรับพัฒาหารก่อนพอรับพัตนาหารเสร็จท่านก็จะอนุโมทนานะครับพระสมัยพุทธ ก, กาลในเวลาอนุโมทนาท่านจะเทศก่อนครับท่านจะแสดงธรรมก่อนวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องมรณสติท่านบอกให้คนเราเนี่ย ลองกลับไปแล้วก็คอยระลึกถึงความตายไว้บ่อยๆนะครับพวกเรามีใครคิดถึงความตายบ้างัหมมีใครเคยคิดไหมมีนะครับโอ้โหเก่งมากเลยเก่งมากคิดว่ายังไงครับคนที่คิดนี่คิดยังไงไหนแชร์กันหน่อยแชร์กันหน่อยไม่มีผิดไม่มีถูกรับรองน้องข้างหน้าเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกว่าเอาหน่อยเอาหน่อยไม่เป็นไรครับเชื่อก็บางครั้งก็เวลาอย่างเช่นแบบ เมื่อวานอย่างเมื่อวานเนี่ยครับครูก็บอกให้แบบว่าลองวางแผนชีวิตครับของตัวเองแล้วก็แ ล, วกแล้วก็ลองคิดคิดดูว่าเออถ้าสมมติว่าเราเกิดตายตอนอายุยี่สิบขึ้นมาเนี่ยจ ะ, จะเป็นยังไงก็อลองคิดดูเรื่องก็ประมาณเนี้ยครับครับผมยอดเยี่ยมนะครับเอาประมือใเพื่อนหน่อยครับของเราเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยเหรอยี่สิบเหมือนกันเลยเหรอประมาณหกสิบอ๋อคนนี้แค่คิดว่าเขาจะน่าจะประมาณหกสิบนะครับ มีตัวเลขอื่นแตกต่างไหมครับเท่าไหร่ครับร้อยสิบโอ้โหคนนี้อาจจะมาจากญี่ปุ่นนะฮะคนญี่ปุ่นส่วนมากอายุยืนมีอายุเคยคิดฝั่งผู้หญิงเคยคิดไหมลูกมีไหมคิดวัยอายุเท่าไหร่ครับแปดสิบเก้าสิบอ๋อก็ยุเฉลี่ยคนประมาณเจ็สิบห้านะครับมีอีกไหมมีตัวเลขอื่นอีกไหมมีใครเคยรู้สึกว่าเราอาจจะอยู่ไม่ถึงอายุสามสิบไห มีไหมนอกจากน้องคนนี้มีนะครับมีนะครับอ่ามีนะครับพระเจ้าท่านก็ท่านก็เทศนะครับท่านก็บอกให้เราลองไปเจริญมรณสติดูนะครับนะเพราะว่าการระลึกถึงความตายเนี่ยมันช่วยประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับเคยมีกรอนอนหนึ่งนะมีพระรูปหนึ่งท่านท่านแต่งไว้นะครับท่านบอกว่าระลึกถึงความตายสบายนะ่ะมันหักรักหักหลงในสงสารบันเทามืดโมหันอันตการนะครับทําให้ ห า, หายสะดุ้งไม่ยุ่งใจถ้าจำจำไม่ผิดนะจําผิดขอภอภัยบันเทารักมันหักรักหักหลงในสงสารสงสารคืออะไรรู้ไหมสงสารไม่ใช่เปบนเหมือนเมตตาสงสารนะท่านหมายถึงสังสารวัตนะครับหักรักหัก ห, กหกลงในสงสารคือหักความยึดมั่นถือมั่นในความรักในความหลงในสังสารวัตรลงไปเด็กคนหนึ่งเด็กหญิงคนหนึ่งที่เป็นลูกสาวช่างทอหูก็คือช่างทอผ้า ฟังตรงนั้นเสร็จแล้วก็เอากลับบ้านไปคอยระลึกถึงความตายนะครับคอยระลึกว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนนะครับระลึกอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะครับจนกระทั่งเวลาผ่านไปจำไม่ได้ว่าปีหรือ2ปีนี่นะครับอยู่ในช่วงเราเล่าเนี้ระลึกสิ่งนี้เป็นการเจริญสตินะฮะด้วยด้วยการระลึกถึงความตายเนี้ย ก็เป็นวิธีการวิธีการหนึ่งไม่ได้แปลว่าต้องทําวิธีนี้วิธีเดียวนะครับมันอยู่ที่ใครชอบวิธีไหนบางคนไประลึกถึงความตายแล้วจิตเศร้าหมองนะครับเกิดหดเกิดห ด, ห, ด <S <S หูเกิดแบบว่าซึมเศร้าขึ้นมาอย่างนี้ไม่ไม่เหมาะนะครับต้องไปเปลี่ยนวิธีใหม่นะครับแม้การเจริญสติเนี่ยมีเยอะมากหลายวิธีแต่อันนี้เป็นแค่ยกตัวอย่างให้ดูว่าเป็นวิธีหนึ่งที่เขาทํากันได้นะครับเพราะว่าผู้เจ้าวันหนึ่งท่านก็ท่งส่งสับสมัยนี้ต้องเรียกว่าส แ, แกนนะเนาะนะฮะส่งตรวจ ตรวจดูสัพพะสัตทั้งหลายนะักก็เห็นว่าอ๋อเด็กคนนี้จิตใ จ, จเจริญสติเอ่อเจริญมรณสติมาจนกระทั่งเหมาะควรในการรู้บรรลุธรรมแล้วนะครับท่านก็เสด็จมาโปรดเอ่อลูกสาวช่างตอผ้าคนนี้ตั้งใจมาเพื่อคนนี้โดยเฉพาะเลยพอมาถึงนะครับชาวเมืองก็ดีใจก็ถวายพัะตาหารเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รอให้ท่านอนุโมทนาคือแสดงธรรมปรากฏวันนั้นเนี่ยลูกสาวช่างช่างทอผ้าก็รู้นะครับว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วก็ พยายามนึกว่าจะจะมาเร็วๆเนาะปรากฏว่าวันนั้นพ่อสั่งงานครับพ่อเป็นช่างทอผ้าพ่อก็สั่งบอกว่าเนี่ยลูกตอนเนี้ยมีงานสั่งผ้าเข้ามาแล้วได้มันหมดเจ้าจงปั่นได้ให้พ่อเสร็จแล้วรีบเอาไปส่งนะแทนที่จะได้ไปฟังธรรมเนาะต้องทําอะไรก่อนครับปั่นได้ก็ปั่นได้พ่อครับปั่นสี่คูนร้อยเลยนะครับปั่นอย่างรวดเร็วเลยปั่นปั่นปันปั่นไปนะฮะพอเสร็จปุ๊บ เอาได้โยนใส่ตะกาปุ๊บวิ่งปุเลงปุเลงปุเลงมาศาลาที่แสดงธรรมอยู่เป็นทางผ่านก่อนจะไปถึงโรงทอผ้าของพ่อก็เลยแวะเข้าไปครับพระเจ้าท่านรับพระทหารเสร็จวันนั้นท่านไม่อนุโมทนาท่านก็นั่งเฉยอยู่แล้วเวลาพุทธเจ้าท่านทรงเฉยนะครับมีมีคำพูดว่าแม้แต่พระอินทร์พระพรหมใครที่ไหนก็ทําให้ท่านตัดอะไรไม่ได้นะครับพระเจ้าก็รออยู่พอเห็นกุมารีคือลูกสาวช่งางทอผ้ามาแล้วท่านก็ท่านก็ชะเง้ออย่างนี้ครับ ทุกคนก็รู้ว่าออกุมารีที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคือคนที่พระเจ้ารออยู่เขาก็แหวกเปิดทางให้นะกุมารีก็เข้ามาเฝ้านะพระเจ้าก็ถามว่าเธอมาจากไหนกุมารีตอบว่าหม่อมฉันไม่ทราบเพคะคนก็เริ่มสงสัยนะเอะ๊เด็กคนนี้ถ้าทางจะปีนเกลียวกับผู้พระเจ้าเนาะคือคนในนั้นรู้จักกันหมดเนื่องจากว่าเมืองไม่ได้เมืองใหญ่นะครับเขาก็รู้ว่าคนนี้เป็นใครลูกอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนถามบอกมาจากไหนดันบอกไม่ไม่รู้ ผู้เจ้าก็ทร ง, งถามต่อว่าแล้วเธอจะไปไหนนะครับลูกสาวชัางดผ้าตอบว่าหม่อมฉันไม่ทราบเพคะไม่รู้ละ่ะเอาไงแน่ผู้เจ้าทรงถามต่ออีกเธอไม่รู้เหรอกุมารีตอบว่าหม่อมฉันทราบเพคะแม่พอถามไม่รู้บอกรู้เนี่ยผู้เจ้าลองถามคําถามที่สี่บอกว่าเธอรู้เหรอผู้เจ้าถามเสร็จกุมารีก็ตอบว่าหม่อมฉันไม่ทราบเพคะงงไหมครับ งงครับวันนั้นคนที่ไปฟังทำในนั้นก็งงเหมือนกันอย่างนี้แหละครับนะฮะแต่พอเริ่มคิดคนคนจะเริ่มพอฟังปุ๊บเขาจะเริ่มรู้สึกมีมีโทสะเนาะคือทุกคนเคารพพระพุทธเจ้าถูกนึกออกไหมแล้วเห็นมีคนมาตอบแบบแลักษณะเกรียนสมัยนี้เขาเรียกเกรียนน ะ, ะดูเกรียนเกรียนยังไงไม่รู้ก็จะเริ่มไม่พอใจพระเจ้าก็เป็นห่วงเดี๋ยวจิตคนจะเศร้าหมองเนาะมีโทสะท่านก็เลยถามกุมารีเพื่อให้ฉเฉลยน ะ, ะเมื่อกี้ที่เราถามเธอ นะว่าเธอมาจากไหนทําไมเธอถึงตอบว่าเธอไม่ทราบกุมารีก็ตอบว่าเพราะหม่อมฉันไม่ทราบว่าชาติที่แล้วหม่อมฉันเป็นอะไรมานะครับพระเจ้าก็สาธุการให้ว่าตอบถูกแล้วตอบดีแล้วนะครับคําถามที่สองแล้วเธอจะไปไหนกุมารีตอบว่าหม่อมฉันไม่ทราบเพคะเพราะหม่อมฉันไม่ทราบว่าตายจากชาตินี้แล้วชาติหน้าหม่อมฉันจะไปเกิดเป็นอะไรพระเจ้าก็สาธุการให้นะครับสาธุตอบดีแล้วตอบถูกแล้วนะครับ พราะคำถามที่สามที่ถามว่าเธอไม่ทราบหรือนะกุมารีก็ก็บอกว่าหม่อมฉันเข้าใจว่าพราะองค์ตรัสถามว่าไม่ทราบหรือว่าจะต้องตายหม่อมฉันจึงตอบว่าหม่อมฉันทราบเพค่ะนะครับพระเจ้าก็สาธุการให้อีกนะครับพอคําถามที่สี่พรเจ้าถามว่าเธอไม่รู้เหรอนะครับไม่ทราบเหรอไม่รู้เหรอแล้วตอบว่าหม่อมฉันตอบว่าหม่อมชันทราบเองค่ะคือถามว่าไม่รู้หรือว่าจะต้องตายนะฮะ นางก็เลยตอบว่านางทราบนะว่าวันหนึ่งจะต้องตายแน่ๆเพียงแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะไปเป็นอะไรนะครับยังไม่สําเร็จเลยครับนิทานจะจบแล้วนะไม่เป็นไรนะครับถ้ามันไม่สําเร็จก็ช่างมันนะครับสุดท้ายนะครับผู้เจ้าก็เลยแสดงธรรมให้ฟังนะครับแสดงธรรมให้ฟังหญิงเด็กหญิงคนนั้นเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันในวันนั้นนะครับนะครับบรรลุพระโสดาบันเสร็จก็กราบทูลลาไปนะครับ ผู้เจ้าไม่ได้ตัดอะไรต่อปรากฏว่าวิ่งเอาได้เนี่ยไปให้คุณพ่อที่เป็นช่างทอผ้าปรากฏพ่อนั่งรอจนหลับครับนั่งรออยู่คาเครื่องทอผ้าเนี่ยเครื่องทอหูนะครับทอหูกทอผ้าความหมายเดียวกันเครื่องทอหูกนั่งหลับครับลูกสาวเข้าไปก็ไม่ทำได้นึกอะไรนะครับก็ก็พรวดเข้าไปแล้วก็เอาเอ า, เอาได้ไปส่งให้คุณพ่อนะอคุณพ่อตกใจตื่นขึ้นนะแล้วก็ยังไงไม่ทราบนะคือกระตุก กะตุกไอ้เครื่อนทออะไรสักอย่างแล้วมันมีกระสวยพุ่งมาชนขมับของลูกสาวตัวเองนะครับตายเลยแต่วันนั้นตายคุ้มแล้วนะครับเพอะได้ฟังธรรมแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วพระโสดาบันนี่ปลอดภัยนะครับปลอดภัยหนึ่งคือไม่ไปอาบายแน่นอนรู้จักอาบายไหมครับอาบายภูมิรู้จักไหมรู้จักเนาะอ่าฮะ <laughs> มีความหมายอื่นไม่ไปาาภูมิแน่นอนนะครับแล้วก็ ตามตำราท่านบอกว่าเกิดอีกไม่เกินเจชาติจะได้เป็นพระอระหันต์นะครับคือเชื้อเก่าในการที่เราจะภาวนามันจะมีอยู่นะครับนั้นชาติหน้าพวกเราอยากเป็นอะไรอย่าไปบอกว่าเลือกเกิดไม่ได้นะครับชาตินี้เลือกเกิดไม่ได้เพราะว่ามันเกิดมาแล้วเราย้อนไปอดีตไปเริ่มต้นใหม่ไม่ได้นะครับแต่เราเริ่มจากวันนี้แล้วไปกําหนดจุดจบของตัวเองเนี่ยได้ครับเราอยาก จบชีวิตของเราในลมหายใจสุดท้ายแล้วเรารู้สึกกับตัวเองยังไงรู้สึกว่าเกิดมาสูญเปล่าหรือรู้สึกว่าเกิดมาแล้วดีใจที่ได้เกิดมาอันนี้คือสิ่งที่พวกเราเลือกได้นะครับนั้นคนที่เจริญมรณสติบ่อยๆจะเป็นคนที่ไม่ประมาทครับลองนึกภาพง่ายๆนะสมมติสมมุตินะครับถ้าเป็นเป็นผมก็ได้ผมนึกขึ้นมาว่าเดี๋ยวออกจากห้องนี้ไปผมจะตกบันไดาตายสมมุตินะครับ สิ่งที่ผมทําอย่างแรกคือผมจะต้องนึกก่อนว่าถ้าเกิดจะต้องตายในวันเนี้เราจะต้องจัดการอะไรบ้างถูกไม้มเตรียมพร้อมมีการเตรียมพร้อมเนาะ 2. มีอะไรติดค้างกับใครบ้างมีหนี้สินมีหนี้อะไรใช้นะครับจัดการเคลียร์ให้เรียบร้อยนะฮะสเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นเราต้องมีสติในการเดินลงบันไดถูกไหมเพื่อจะได้ไม่เกิดคอหักไปจริงๆนะอันนี้เราไม่รู้นะสิ่งที่เราทําได้คือทําปัจจุบันให้ดีนะครับ รู้สึกการ t r a n s f เมอร์จะยากกว่าที่เราดึกไว้อะามาถึงตรงนี้เดี๋ยวถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ตัวอะไรครับตัวอะไรนะมันชื่ออะไรนะนหนูข่าวแต้มค่ะข่าวแต้มข่าวแต้มออกเขามีชื่อชื่อว่าข่าวแต้มเหรออ๋ออันนี้เป็นความรู้ใหม่ของผมเขาบอกว่าชื่อข่าวแต้ม เก <laughs> ่งมาก อ, อ่ะไม่เป็นไรเขาแต้มเลยช่วยทำงานหน่อยลูกเขาแต้มนะครับเมื่อกี้น้องตอบแล้วจะลักลังจะถามพอดีว่าใครรู้บ้างว่ามันทมาจากอะไรเปยยรเปเปเปอปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเเปเปเเปเปเเปเปเปเปเปเปเเปเปเปเปเปเปเปปเปเปเปเเปเปเปเปเปเเปเปเหเปเปเปเมเปเปเปเเปเปเเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเนเปเเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเปเเเ อ่าใช่ใช่ใชชช่ช่แล้วยังไงอีกแล้วยังไงอีกแปะไปเรื่อยๆแปะไปเรื่อยๆหาแล้วยังไงอีกและยังไงอีกรอมันแห้งครับรอมันแห้งครับพอมันแห้งแล้วทําไงต่อครับทาสีทาสีครับต้องประกอบก่อนป่าวมันโค้งตั้งแต่แรกแล้วอ๋อเป็นโค้งตั้งแต่แรกแล้วนออ่าทาสีแล้วไงอีกครับรอแห้งครับรอแห้งนะครับโอเคครับโอเคเก่งมากเอาปมมือเพื่อนหน่อยอ่าอย่างน้อยก็มีคนบรรยายเป็นนะครับขอบคุณมาก ปุ๊กตาไอ้ขาวแต้มตัวนี้มันสอนอะไรเรารู้ไหมก่อนมันจะมาเป็นขาวแต้มทุกคนเราเรียกว่าขาวแต้มนะครับก่อนจะมาเป็นขาวแต้มมันไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องยากมากนะแต่วันนี้จะลองจะลองออบรรยายให้นักเรียนรุ่นรุณฟังนะมันเริ่มมาจากความไม่มีอะไรเลยนะครับมันเป็นความว่างเปล่านะฮะว่างๆเสร็จแล้วเราก็มีโครงบางๆงที่เขาใช้บล็อกเอานะครับเขาใช้บล็อกบางที่ก็ใช้โครง ขึ้นโครงเอาแล้วแต่แต่สุดท้ายพอได้มีบล็อกหรือมีโครงแล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็จะเอากระดาษหนึงซื้อพิมพ์จุบน้ําชุบกาวชุบแป้งเปียกแล้วแต่สูตรนะครับฝรั่งเขาก็ใช้แป้งแป้งสาลีอะไรเขาไม่รู้อะเข้าไปดูใน YouTube ก็จะมีนะใส่เกลือด้วย เ, <c oughs> เข้าใจว่าคงเอาไว้กันเชื้อรานะครับแล้วเขาก็แตะไปเรื่อยๆครับแตะไปเรื่อยๆแตะไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหนาพอสมควร แ, <c oughs> แล้วเขาก็ตากแห้งนะครับ ทิ้งไว้ให้แห้งเอามาประกอบกันแต่ถ้ามีแบบเปอนโครงอยู่แล้วก็ไม่ต้องประกอบนะครับพอไม่ต้องประกอบปุ๊บก็ขัดเกลานะฮะให้มันเข้ารูปให้ดีแล้วก็ระบายสีเลยอยากได้หน้าตาเป็นยังไงก็แล้วแต่เคยเห็นไปเพื่อมาเช่เป็นรูปตัวอื่นั้มครับมีไหมทำได้นะครับทำเป็นรูปหมูได้ไหมได้ออริจินัลจริงๆเป็นรูปหมูนะครับหมูออมสินสมัยก่อนตัวสีแดงๆเนี่ย เป็นเพเปอร์มาเช่ยุคแรกๆนะครับยุคนี้เปเปอร์มาเช่มันไปไกลามากเลยมันทําเป็นเครื่องของตกแต่งบ้านได้เยอะแยะนะครับมีตัวอื่นได้อีกเยอะแยะเลยพวกเรากําลังจะจบมอปลายนะครับมันจะมีคําถามหนึ่งที่เราถูกตั้งคําถามเสมอจากคนบนโลกนี้ก็คือเขาจะถามว่าพวกเราหาตัวเองเจอหรื อ, อยังมีใครรู้สึกว่ายังหาตัวเองไม่เจอไหมครับยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทางไหนดีนะโอ้ดีครับขอบคุณครับ มีใครหาเจอแล้วบ้างครับไม่มีคนยกแต่ตอนหาไม่เจอมีคนยกอยู่บ้างนะครับขอบคุณที่มีส่วนร่วมจะบอกว่าอย่างนี้ครับเอาฟังดีๆนะอันนี้สำคัญมากฟังดีๆนะครับไม่ค่อยมีใครบรรยายให้ฟังเรื่องนี้เพราะมันยากนะครับตัวตนของคนเราเนี่ยไม่ต้องค้นหานะครับอยากได้อะไรสร้างขึ้นมาพอตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กมาเนี่ยพวกเราเนี่ยสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาแม้แต่คนที่บอกว่าหาตัวเองไม่เจอก็เป็นตัวตนชนิดหนึ่งนะครับ ก็เป็นตัวตนชนิดหนึ่งตัวตนของคนที่หาตัวเองไม่เจอเพราะฉะนั้นเราอยากมีอยากเป็นคนแบบไหนเราสร้างตัวเองได้นะครับทุกชิ้นของกระดาษหนังสือพิมพ์ที่แปะออกมากลายเป็นตัวนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็เปรียบเหมือนความคิดหนึ่งอย่างเราคิดว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างหนึ่งมันจะแปะเข้าไปในจิตของเรานะครับจิตของเราเป็นบล็อกครับเราสร้างบล็อกมาอาจจะเป็นด้วยด้วยกรรมเก่าจากที่แล้วด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับ S 1> <S 1> uh, เสร็จแล้วไอ้ชิ้นแต่ละชิ ín, ้นเนี่ยที่มันถูกแปะเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มาจากหนึ่งความคิดของตัวเองที่เราเชื่อว่าเราเป็นอีกหนึ่งก็คือความคิดจากคนอื่นที่เขาบอกเราว่าเราเป็นนะครับบางคนไปไหนก็มีแต่คนบอกว่าสมมติผมเกิดมีความเชื่อว่าผมหล่อเหมือนหน้าเดชนะฮะผมเกิดมีความเชื่ออย่างนั้นขึ้นมาแล้วผมก็ไปที่ไหนแล้วผมก็ไปถามทุกคนว่าผมเหมือนหน้าเดชเปล่าแล้วทุกคนตอบหมดเลยว่าผมเหมือนหน้าเดชมากเลยอย่างเงี้ย ผมก็มีแนวน้มว่าผมจะเชื่ออย่างนั้นถูกไหมถูกไหมครับหรืออีกคนนึงเขาอาจจะบอกไม่ไม่เลยคุณหน้าไม่เหมือนน้เด่นเลยคุณเทียบน้าเด่นไม่ได้คุณเหมือนเจมจีนะฮะหนักกว่าเดิมอีกนะครับเออท อ, ทอมครูสทอมครูสแก่แล้วช่างเขา <laughs> เถอะถ้าทุกคนที่อยู่รอบๆตัวเราบอกว่าเราเป็นยังไงเรามีแนวน้มที่จะเชื่ออย่างนั้นถูกไหมครับเนาะยิ่งไอตัวตนของคนเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาได้เป็นเป็นรูปเป็นร่างอะไรขึ้นมาได้อย่างเงี้ยมันมาจาก อาการอย่างยิ่เหมือนกันนะครับมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของม้าแข่งตัวหนึ่งครับม้าแข่งตัวนี้ชื่อว่าซีบิสกิตซีบิสกิตเนี่ยเป็นม้าที่สายพันธุ์ดีมากนะครับพ่อก็เป็นแบบพ่อพันธุ์ชั้นดีเลยชั้นเลิศเลยส่วนตัวบีซีบิสกิตเองหลังจากที่เกิดมาแล้วนะครับข้อเสียมันมีอย่างนึงคือมันดันตัวเล็กม้าแข่งพันธุ์ดีนี่ส่วนมากจะต้องตัวสูงๆนะตัวใหญ่ๆนะครับเพราะว่าตัวใหญ่ๆพวกเวลาวิ่งมันได้เปรียบปรกนากฏบีซีบิสกิตน้าตัวเล็กิดมาตัวเล็ุ๊ เจ้าของข้อก็ดูเหมือนไม่ค่อยจะเชื่อใจมันเท่าไหร่โดยหน้าตาโดยรูปร่างมันท่าทางมันจะเป็นม้าแข่งที่ดีไม่ได้นะครับเริ่มแล้วนะเริ่มไปสร้างความเชื่ออะไรบางอย่างขึ้นมานะฮะเป็นไปมองไปมองม้าตัวนี้ว่าท่าทางจะใช้ไม่ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือซีบิสกิตจินจุครับดือ้อพยศสอนยากเวลาเขาให้ไปแข่งก็ไม่ค่อยสนใจอะไรนะครับดื้อไปวันวั น, ว น, นะเจ้าของก็เลยเบื่อวันหนึ่งเจ้าของเบื่อครับเจ้าของก็เลยเอาไปโล่ขายในราคาถูกๆทั้งนั้นที่เป็นสายพันธุ์ที่ดีนะครับ พอลูขายไปในถูกๆในราคาถู ก, ถกๆปุ๊บคนที่ซื้อไปก็เอาซีบิสกี้ไปใช้เป็นม้าที่ทําให้ตัวเองแพ้เพื่อจะได้คนอื่นคุ้นเคยกับชัยชนะนะครับข้ อ, ขอม้าเนี่ยเขาจะมีม้าตัวเต็งตัวเต็งที่เขาแบบมีความหวังสูงๆไว้นะครับเป็นมือวางอันดับหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วมือวางรองๆ ล, ง, ล, ง, ลงมาเนี่ยเขาเวลาเขาจะาไปวิ่งแข่งซ้อมกันไปเรื่อยๆนะครับเขาจะบังคับให้ตัวรองเนี่ยเหมือนพอไปเทียบเทียบกันแล้วก็จะค่อยๆให้ปล่อยให้มันช้าลงนะครับเพื่อจะให้ไอ้ตัว ตัวที่เป็นมือวางอันดับหนึ่งเนี่ยคุ้นเคยกับการที่ได้เข้าเส้นชัยไปก่อนอยู่เรื่อยๆมันเป็นการสร้างนิสัยของการเป็นผู้ชนะแล้วตัวม้ารองรองก็จะถูกสอนให้เป็นคนแพ้อยู่บ่อยๆครับที่ถูกทำหน้าที่ให้เป็นม้าตัวรองแบบนั้นครับอยู่มาวันหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งร่ำรวยมาจากธุรกิจการค้ารถยนต์นะครับ เศรษฐีคนนี้เนี่ยร่ำรวยแม้กระทั่งในเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำในอเมริกายุคพันเก้าร้อยสามสเขาก็ไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรนะครับแต่สิ่งที่ทําให้เขาทุกข์ใจและเดือดร้อนได้คือวันหนึ่งเขามีลูกอายุประมาณสักสิบสองบสองขวบ เ, เขาสอนลูกให้ขับรถตั้งแต่อายุประมาณ1ิ1 2นี่แล้นะครับสอนขับรถและนี่บ้านเขาอยู่ในหุบเขาวันหนึ่งพอพ่อไม่อยู่บ้านลูกอยากจะขับรถเอารถไปขับเองครับรถตกเขาตายนะครับพอตกเขาตายปุ๊บ ภรยาของเศรษฐีคนนี้โทษว่าเศรษฐีเป็นต้นเหตุที่ทําให้ลูกตายเศรษฐีก็โทษตัวเองมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับนั่งโทษตัวเองเรื่อยๆว่าเราเป็นคนเราเป็นพ่อที่ใช้ไม่ได้เราเป็นคนแย่เราเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนทําให้ครอบครัวล้มเหลวนั่นนั้นโทษตัวเองนะครับมีคนนึงตัวละครที่3มเกิดขึ้นมาก็คือเป็นชายเลี้ยงม้าคนหนึ่งเป็นเป็นเทรนเนอร์ใช้คําว่าเทรนเนอร์แล้วกันนะครับเป็นเทรนเนอร์ที่ประหลาดมากเทรนเนอร์คนนี้เนี่ยปกติม้าแข่งทั่วไปนะครับถ้าเมื่อไหร่มันขาหักขึ้นมานะ สมัยนูน้นไม่รู้สมัยนี้เขาทำยังไงนะครับสมัยนู้นเขายิงทิ้งครับพอเขารู้ว่าม้าตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วเลี้ยงไปก็เปลือนเข้าสุขเขายิงทิ้งเลยเฟนเนอร์คนนี้จะเป็นคนที่ไปขอชีวิตม้าพวกนี้มาแล้วเอามารักษาครับมารักษาจนกระทั่งม้าตัวเนี้ขามันดีขึ้นหายจากอาการจะป่วยแล้วก็ปล่อยเข้าป่าอีกทีหนึ่งนะครับคนก็เลยบอกว่าไอเนี้ยบ้าเพราะธรรมชาติเขาเขาไม่สูงสิงกับใครเขาอยู่กับมา้าคุยกับมา้านะครับตัวละครที่สามเออที่สี่ครับ มีมานะมีซีบิสที่ตัวหนึ่งมีเศรษฐีมีเทรนเนอร์ตัวที่สเออตัวละครที่สี่เป็นจ็อกกี้นะครับจ็อกกี้ชื่อว่าเรดพอลลาร์ดเรดพอลลาร์ดเนี่ยเป็นตอนเป็นเด็กก็เหมือนพวกวกเราเนี่แหละครับมีครอบครัวที่ดีนะครับมีครอบครัวที่ดีที่อบอุ่นพ่อสอนให้เขาเป็นคนรักการอ่านพ่อจะสอนให้เรดพอลลาร์ดเนี่ยอ่านหนังสือของเชคสเปียร์อ่านหนังสือดีๆมากมายเลยนะครับพวกวรรณกรรมต่างๆเนี่ยงั้นอยู่มาวันนึงพอเศรษฐกิจตกต่ในอเมริกาปุ๊บเรดพอลลาร์ดถูก พ่อกับแม่เอาไปฝากไว้กับโอกม้าแห่งหนึงเพราะว่าเห็นแววว่าเขาเป็นคนชอบมา้าแล้วก็เขาสามารถขี่มาได้มีแววนะครับขี่มาได้ดีพ่อแม่ก็เลยเลี้ยงไม่ไหวเนาะก็ไปฝากไวใ้ให้ที่โอกมา้าแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะวันหนึ่งพ่อจะกลับมารับปรากฏว่าพ่อไม่ได้กลับมาเลยนะครับเลสพอลาดอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่มีค่านะใช้ชีวิตไปวันวันใช้ชีวิตไปวัน ว, น ว, น ว, นวนเผาผไปเรื่อยๆออขี่ม้าเสร็จได้เงินบาชนะบ้างแพ้บ้างได้เงินมาไปเที่ยว เที่ยวกลางคืนดื่มเหล้าเงินหมดไปกับสิ่งเหล่านี้ครับแล้วเท่านั้นยังไม่หนำใจพอยังประชดชีวิตต่อด้วยการไปต่อยมวยแบบแบบแบบไม่มีกติกามากนะครับต่อยมวยแบบใต้ดินน่ะต่อยเพื่อหนึ่งคือระบายความข้างแคนตัวเองออกไปในขณะเดียวกันก็เวลาโดนต่อยมาก็รู้สึกว่าออคงมีคงรู้สึกได้ระบายอะไรออกไปนะครับชีวิตของทั้งหมดเนี่ยฟังดูไม่น่ามีอนาคตเลยถูกไหมมาก็แย่เสียฐีก็แย่เฟรนเนอร์กับเพี้ยน จ็อกกี้ก็ดูใช้ไม่ได้แต่4ีตัวละคร4ชีวิตนี้มาเจอกันนะครับแล้วกลายเป็นประวัติศาสตร์ของอเมริกาซีบิสกิสกลายเป็นม้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาอันนี้เป็สร้างเป็นหนังแต่มันสร้างมาจากเรื่องจริงนี่ไม่ใช่นิยายนะครับนี่เรื่องจริงทั้งหมดเนี้ผ่านมาได้ด้วยการที่เขาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเขายอมรับในข้อความไม่สมบูรณ์ของกันและกันนะอย่างเรดพอลลาดเองเนี่ยเขาตาบอดข้างนึงเพราะว่าเขาไปต่อยมวยอย่างที่บอก ปองมันโดนกระทบมากมปุ๊บมีครั้งหนึ่งตาเขามองไม่เห็นครับนี่เป็นเหตุว่ามีครั้งหนึ่งที่เขาแข่งนะแล้วเขาโดนคนแซงในช่วงเสี้ยววินาทีสุดท้ายเข้าเส้นชัยไปเพราะเขามองไม่เห็นว่ามีม้าตัวหนึ่งกําลังขึ้นมาแลา้วก็พผ่อนนะครับถามว่าทั้งหมดเนี้ยมาเป็นความยิ่งใหญ่ได้ยังไงนะมันเป็นความสําเร็จได้ยังไงเพราะว่าทุกคนมีบาดแผลของตัวเองแล้วทุกคนยอมรับในบาดแผลของอีกฝ่ายหนึ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งมีนะครับเราไม่โทษกัน นะครับเราไม่โทษกันเราไม่เราไม่ซ้ำเติมกันเราไม่ได้รู้สึกว่าคนอื่นเป็นอุปสรรคในชีวิตของเรานะครับข่าวแต้มก็เหมือนพวกเราเหมือนสีบิสกิตนะครับมันอาจจะมีบ้างที่สมมติว่าวันหนึ่งผมกลับบ้านไปแล้วผมเกิดหมันไส้ข่าวแต้มผมเอาผมเอาสีแดงมาระบายมันให้หมดเลยมันก็จะไม่ยิ้มอย่างนี้แล้วเห็นไหมครับรอยยิ้มมันจะหายไปนะครับนั้นชีวิตพวกเรานะครับอย่าไปค้นหาให้เสียเวลา เราอยากให้ชีวิตเราดีขึ้นยังไงเราทําเหตุให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับอยากเป็นคนเรียนเก่งไปทําเหตุให้เรียนเก่งอยากเป็นคนมีสติมากๆ <agh. S 2> ก็จเจริญสติบ่อยๆนะครับอยากให้ชีวิตดีขึ้นผู้เจ้าบอกแนวทางไว้แล้วนะครับทานศีลภาวนาอย่าฟังเสียงลบๆบในหัวตัวเองอย่าฟังเสียงลบลบของคนอื่นถ้าคนอื่นบอกว่าเราเป็นอย่า ง, งานั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นไม่สําคัญเท่ากับว่าเรามองตัวเองว่าเราเป็นยัางไงา น, นะครับทุกครั้งทุกความคิดที่เราเชื่อ นะน่ะนั่นน่ะเรากําลังเอาเศษหนังสือพิมพ์ชิ้นหนึ่งแปะลงไปแล้วเรากาลังระบายสี ส, สีหนึ่งลงไปบนตัวของเราเองนะครับนะครับอันนี้เบื้องต้นเนี่ยมันมันเรียนเรียนไปถึงตัวตนได้แบบนี้เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสวยงามนะครับแต่เบื้องปลายของศาสนาพุทธเนี่ยมันไม่มีข่าวแต้มนะครับมันไม่มีจริงเบื้องปลายเนี่ยพอเราโตขึ้นในวันหนึ่งเราภาวนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราจะรู้เราเราเร า, เราจะเรียนรู้เพื่อจะ ไม่ยึดติดกับไอ้ตัวตน ต, ต, ตัวนี้ อ, อีกขั้นหนึ่งนะแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นก็ได้เดี๋ยวยากไปจบละมีคําถามไหมอันนี้แบบย่อๆเนาะเวลามีน้อยจริงๆสอนเรื่องนี้นะครับเรื่องตัวตนเรื่องเรื่องการเจริญสติเรื่องอะไรเนี้ยต้องเป็นวันเลยนะครับเดือนหน้าผมจะเปิดคอร์สสองวันน่ะนั่งคิดอยู่แล้วอะสองวัน ไม่งั้นมันพูดไม่หมดพพูดพอพู ด, พพดปุ๊บทุกคนก็จะตาใสเรื่อยๆนะครับจะเริ่มแบบ ม, มันต้องมีภาคปฏิบัติต้องให้ลงมือทำต้องให้ฝึก